พระควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระโควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระโควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้หมดสิ้นกิเลสตัดสรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง อาตาหเวนชิตังไยโยยาจจยังอิตรามปัญจาอาตาดันตาสะโบสัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเดวะนัคันธโพนามารุสหะพระมุนา ชิดังอบันชิดังกายราตทารุปัสชนตุโ น, โนตนนั่นแหละบุคคลชนะแล้วประเสริฐส่วนมูสัตนอกนี้บุคคลชนะแล้วไม่ประเสริฐเลยเพราะเมื่อบุคคลฝึกตนดีแล้วประพฤติสํารวมเป็นนิด เทวดาคนทันมารพรมพึงทําความชนะของบุคคลเช่นนี้ให้กลับแพ้ไม่ได้เลยขอเจริญเมตตาต่อพุทธบริษัททุกท่านณโอกาสบัดนี้อัจตรภาพจะได้รับอาราธนาแสดงพระธรรมคำสั่งสอนของพระปรมศาสดาเพื่อ ให้พระธรรมคําสั่งสอนนำชีวิตของท่านให้พ้นออกจากทุกภัยและกิเลสทั้งปวงสำหรับในวันนี้ก็จะได้นำประวัติของพระมหากัสสปะเทระมาแสดงต่อจากคราวที่แล้วสำหรับคาถาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นคาถาที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงเรื่องของการชนะตนเองว่าบุคคลที่ชนะตนเองนั่นแหละดีที่สุดเพราะถึงแม้จะไปชนะคนอื่นทั้งหลายไม่เป็นความดีอะไรด้วยเหตุว่าเมื่อคนใดก็ตามฝึกตนดีแล้วประพฤติสํารวมอยู่เป็นนิด ใครก็ตามจะเป็นเทวดาคนทันมาลพรมจะมาทำความชนะของบุคคลเช่นกล่าวนี้ให้กลับแพ้ไม่ได้อันนี้เป็นข้อควรสำนึกหรือเป็นอุดมคติของเราว่าเราไม่ควรจะไปเอาชนะคนอื่นทั้งหลายในโลกแต่ควรที่จะชนะกิเลสของตนเองชนะความชั่วของตนเอง เพราะว่าการชนะเช่นนี้เป็นการชนะที่แท้จริงเพราะจะไม่มีใครทำให้เรากลับเป็นผู้แพ้ได้อีกส่วนการที่เราไปชนะคนอื่นเป็นชัยชนะที่ไม่แท้จริงเพราะในบางครั้งเราก็ยังจะต้องแพ้แก่บุคคลผู้เคยชนะแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือชัยชนะ ของตนเองนั้นนำสิ่งที่ดีที่สุดคือความพ้นทุกมาให้ซึ่งพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าและพระมหากัสตะเถระได้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ชนะตนเองเรายังเป็นปุถุชนยังไม่สามารถชนะตนเองได้ก็ควรจะอาศัยคาถานี้เป็นข้อสอนชีวิตเรา พึงมุ่งมั่นที่จะชนะตนเองให้ได้ในชาตินี้เรายังไม่สามารถจะชนะกิเลสสิบสี่ชนิดมีโมหะเป็นประธานก็ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องสะสมความศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าเอาไว้มีคำอธิบายเรื่องการชนะตนว่า ตนเองนั่นแหละที่บุคคลชนะแล้วประเสริฐคือความชนะกิเลสของตนนั้นประเสริฐกิเลสของเรามีสิบสี่อย่างมีโมหะมีอหิริกะอหิริกะคือความไม่ละอายต่อการทำบาปอนอตะปะความไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปอุดทัจจะความฟุ้งซ่านหรือมีโลภะมีมานะ มีทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นว่ามีตนในขันธ์ห้าหรือโทสะแล้วก็มีลิสยาไม่พอใจในความดีหรือสมบัติของคนอื่นแล้วก็มีมัชชริยะคือความเจนีนอกจากนี้ก็ยังมีถีนมิทธะความท้อถอยเกียดคร้านง่วงเหงาหานอนวิจิกิจฉา ความสงสัยในคุณพระรัตนใจในกรรมในผลกรรมเหล่านี้เราจะต้องเอาชนะให้ได้ก า, การชนะบุคคลหรือสัตว์อื่นด้วยการเล่นสกาด้วยการโกงทรัพย์หรือด้วยการชนะในสงครามความชนะที่บุคคลชนะคนอื่นนั้นไม่ประเสริฐเพราะเหตุไรเพราะว่าความชนะ ตนเองนั้นคนอื่นมาทำให้เราแพ้อีกไม่ได้พระพุทธเจ้าตัดคำนี้ไว้ว่าเพราะว่าเมื่อบุบคคลฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ไร้กิเลสไม่มีกิเลสเพียงดังเนินดังเนินเนินคือที่สูงข้ามได้ยากกิเลสเนี่ยพ้นได้ยากมีปกติประพฤติสารวมทางกายทางวาจาทางใจเป็นนิดเทวดาคนทันมานพรมจะพยายามอยู่ว่า เราจะทำความชนะของผู้นี้ให้แพ้เสียคือเราจะทำกิเลสทั้งหลายที่เขาชนะเสียแล้วเนี่ยด้วยอริยมรรคให้เกิดอีกนะ้ํามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่อาจจะทำได้เลยไม่ว่าใครก็ตามไม่เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ชนะเขาด้วยรั์ในการเล่นการพนันแต่เราก็อาจจะแพ้ได้เพราะฉะนั้นพระมหากัสปะเถระที่เราจะได้ฟัง ที่ว่าประวัติของท่านเป็นผู้ชนะตนเองดีแล้วไม่มีใครที่ทำให้ท่านพ่ายแพ้ได้อีกด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างดียิ่งในการสำรวมกายวาจาใจคาถานี้ก็เป็นคาถาที่สรรเสริญพระอริยะบุคคลทั้งหลายแต่ส่วนปุถุชนเราเนี่ยชอบชนะคนอื่นแล้วก็ไม่อยากจะแพ้คนทั้งหลาย แต่จริงๆนะเราแพ้อยู่แล้วเราแพ้ตัวเองเราแพ้ความโลภเราแพ้ความตนหนีแพ้ความเห็นผิดอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่เราคิดว่าตัวเราชนะนะมันแพ้เพราะไอ้ความคิดนะั้นมันเกิดด้วยกิเลสเหมือนกับในบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งสส อ, อยากจะชนะคนอื่นไม่อยากแพ้ ด้วยความอยากนั้นก็ทําอะไรได้กันห ล, หลายอย่างเคยไม่ไวายใครก็ต้องไหวายไม่ยิ้มก็ต้องยิ้มทําอะไรได้หวังว่าจะชนะคนอื่นแต่ว่ามันแพ้กิเลสของตัวเองคนไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เลยแล้วก็ไปยกย่องกันว่าชัยชนะคนอื่นนั้ น, นยิ่งใหญ่เราชนะคนนั้นได้เราเป็นใหญ่เหนือคนอื่นเขาแพ้เราอะไรเราไปทําให้เราคิดทําให้เราพูดอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภ ไม่ใช่ความเห็นผิดไม่ใช่ความหลงหรือความโกรธความถือตัวหรอกหรือเพราะนั้นชัยชนะอย่างนี้ะมันก่อเวรไม่สิ้นสุดแต่ชัยชนะในตัวเองในตัวเองอันนี้หมายถึงว่าในกิเลสที่มีอยู่เป็นสมบัติประจำชีวิตของเราเนี่ยชนะเสียด้วยอริยมรรต์ตั้งแต่โสดาปติมรรต์ไปเนี่ยอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญประเสริฐเพราะฉะนั้นเราจะแพ้ใครก็าตามไม่ต้องไปเสียใจ มันไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจอะไรคนอื่นจะมาชนะเราอย่างไรอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่การที่เราพ่ายแพ้ต่อกิเลสอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสังเวชน่าเสียใจและควรที่จะเอาชนะเขาให้ได้คือเราไม่ใช่เพิ่งแพ้ในชีวิตนี้เราแพ้กิเลสมาเนียนับไม่ได้ในอดีตชาติแสนนานเนี่ยนับไม่ได้พุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาชาติแรก จนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยนับชาติไม่ได้อยู่แล้วก็พ่ายแพ้กิเลสมาตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนฉลาดทั้งหลายเขาเกิดมาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อจะชนะตนเองให้ได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกนี่คนฉลาดเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในคาถานี้จึงเป็นคาเราท่านทั้งหลายจะได้รู้จักใสชนะที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา หรือของพระอาหารหันต์ทั้งหลายต่อไปจะได้มากล่าวถึงเรื่องของพระมหากัสปะเถระได้กล่าวมาถึงว่าพระมหากัสปะเถระนั้นได้มาถึงที่จิตกาธานคือเป็นที่เชิงตะกรประดิษฐานพระบรมศพของพระพุ้มีพระภาคเจ้าเป็น ไม้จันที่ก่อสูงถึงร2 0ยสบอกไม้จันนี่เป็นไม้หอมไฟก็ยังไม่ติดพระจิตกาทานด้วยผิดความประสงค์ของเทพพยายดาทั้งหลายคือเทพพยายดาเหล่านั้นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เป็นอุปถาของพระมหากัสปะเทระเมื่อไม่เห็นพระเทระอยู่ในที่ประชุมอันสำคัญอย่างนั้นจึงได้อธิษฐานไม่ให้ไฟติดพระจิตกาทาน พวกมลักษัตรยพยายามจุดไฟก็ไม่ติดและสําหรับคําว่าพระมหากัสปะเถระเมื่อมาถึงก็ได้เปิดพยุคนบาดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมด้วยเสียงกล่าวของตนนั้นหมายความว่าพระมหากสปะเถระยืนอยู่ใกล้พายุคนบาดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าจะตุดฉันด์คือฉานดสีแล้วอธิษฐาน คือเรียกว่าอาพิญญาออกจากฌานสีแล้วอธิษฐานว่าขอให้พระยุคลบาทของพระบรมศ า, ศาสดาจงออกมาจากผ้าทั้ง500คู่และลางทองมาตั้งอยู่บนศีรษะของข้าพระองค์ในบัดนี้เถิดอันนี้เป็นความเคารพสูงสุดนะความกระตันญูกระตเวทีสูงสุดของพระอาหารหันต์เช่นพระมาหากัสสปะเทระทั้งหลาย ที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเทิดพระบาทของพุทธเจ้าด้วยศรีรษะได้นะตลอดชาติตลอดชีวิตทีเดียวด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธทิ์ธิคุณพระปัญญาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้อานุเคราะห์ตัวท่านให้พ้นทุกข์ได้ให้ชนะตนเองได้นะคือพูดง่ายๆว่า ความเคารพสูงสุดไม่เหลือความเคารพให้ใครเลยนะ่ยของพระอรหันต์ทั้งหลายเนะี่ยมีแด่พระสัมมาสัพพะเธเจ้าเท่านั้นพออธิษฐานดังนี้แล้วพระยุคลบาทก็ปรากฏออกมาพระเถระพระเถระก็รับมาวางไว้บนศรีรษะของท่านและมหาชนก็ได้สักการะบูชาแล้วพระยุคลบาทก็กลับเข้าไปตามเดิมไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดปกติ อันนี้ก็บางคนก็อาจจะไม่เชื่อหรือสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไร mm hmm. ก็อย่าลืมว่าคุณของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าหรือคุณของพระหันโดยเฉพาะอภิญญาจิตเนี่ยใครๆนี่ไม่สามารถจะรู้ได้โดยง่ายว่ามีอนุภาพแค่ใดเราเป็นปุถุชนอยู่ความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ยังเล็กน้อยเหลือเกิน หรือว่าฌานจิตของเราก็ยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงอภิญยาเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่เชื่อไม่เลื่อมใสอัตมาก็เคยฟังเรื่องนี้ทั้งคะ่ะเรียนหนังสือเด็กๆอยู่หมนหนึ่งปีศูนย์หนึ่งอาจารย์ก็เล่าให้ฟังอาจารย์ท่านก็เป็นพระมหาศึกมามาสอนศีลธรรมฟังแล้วในสมัยนั้นก็หัวล่อกัน เป็นเด็กเราก็หัวร้อนะมาบัดนี้เนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสานึกผิดว่าเราเนี่ยไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์จริงจึงได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าคนที่รู้คุณของพระผู้มีพระภาคหรือคุณของพระมหากัสปะเทระเสียจริงๆแล้วจะไม่สงสัยว่าทำไมพระเทระจึงทำอย่างนี้ จึงจะต้องอธิษฐานด้วยอภิญญาจิตเนี่ยจิตที่เป็นการใช้ลทธิตอันยิ่งน่อภิญญาก็คือความรู้อันยิ่งเนี่ยนะจะต้องทำเพื่อเหตุอะไรก็เพื่อแสดงความเคารพเพราะว่ามาไม่ทั น, นแล้วพระเพิงก็ลุกขึ้นทันทีโดยไม่มีใครจุดด้วยเทวานุภาพคืออนุภาพของเทวดา น, นั่นแหละ ส่วนสาเหตุที่หลวงตาสุพัท ธ, ธะพระหลวงตาคือพระที่บวชเมื่อแก่ตึงเป็นชื่อที่เขาเรียกกันในสมัยนี้ก็เรียกกันว่าพระที่บวชเมื่อแก่ว่าพระหลวงตาก็มีประวัติไม่ดีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่แล้วว่าพระที่บวชเมื่ออายุมากมักจะไม่เรียนมักจะไม่มีความรู้มักจะดือ้อมักจะทาอะไรผิดๆนี่ก็ มาจนถึงบัดนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นบางพระบางองค์เนี่ยมีใครมาเรียกหลวงตาเข้าก็โกรธว่าหาว่าดูถูกกันส่วนเหตุที่หลวงตาสุพัทะกล่าววาจาล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพราะว่าท่านผูกอาคาดน่ท่านแพ้แพ้ความโกรธไว้ในครั้งเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชน์อยู่ดังมีเรื่องอยู่ในเพสัตชขันธกะมหาวัวินัยปีดกมีความว่า หลวงตาสุพัทธะเมื่อก่อนบวชก็เคยเป็นช่างตัดผมอยู่ที่เมืองอาตุมาพออายุมากก็บวชเป็นพระและมีลูกชายสองคนบวชเป็นสามเณรด้วยวันหนึ่งท่านรู้ข่าวว่าพระศาสดาและพระพุทธเจ้าพันสอร้อาขออภัยพระศาสดาและพระภิกษุพันรูปจะเสด็จจากเมืองกุศินารามายังเมืองอาตุมาก็คิดจะจัดการต้อนรับ จึงใช้สามเณรลูกชายทั้งสองออกเที่ยวโกนผมและตัดผมให้แก่ชาวบ้านเพราะว่าเป็นช่างตัดผมแล้วขอเกลือขอน้ำมันข้าสารขนมผลไม้ตอตลอดทั้งของเคี้ยวของฉันต่างๆจากชาวบ้านพวกชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านตามที่สามเณรเที่ยวบอกอยู่ก็ช่วยกันบริจาคและมาช่วยกันกระทำอาหารส่วนหลวงตาสุพัทธะก็ห่มจีวร สีดำเที่ยวเดินตรวจดูอยู่ทั้งได้สละทรัพย์ตั้งหนึ่งแสนออกร่วมจัดเข้าต้มอย่างดีด้วยคันลุงเชาา้า菩萨สดาพร้อมพระภิกษุทั้งหลายเสด็จมาสู่เมืองอาตูมาเพื่อบินทบาตชนทั้งหลายเห็นพระพุทธองค์กําลังเสด็จมาจึงบอกหลวงตาสุภัททะหลวงตาสุภัททะรีบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทั้งทั้ ง, ท, งที่มือข้างหนึ่งยังถือทัพพีคือยังหุงเข้าต้มไม่เสร็จ อีกมืออีกข้างถือกระจาแล้วคุกเข่าขวาลงที่พื้นดินต่อหน้าพระพักพระศาษษษสดาแล้วกราบทูลนิมนต์ให้เสด็จเข้าไปเสวยข้าวต้มของท่านพระศาษษษสดาซักถามเรื่องต่างๆโดยตลอดแล้วทรงเห็นว่าหลวงตาสุภัททะกระทำไม่ถูกไม่ถูกวินัยนะพระนี่ไปหุงต้มอาหารให้สุกไม่ได้โดยเฉพาะไปขออะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่สมควร จึงทรงติเตียนด้วยพระวาจานานาประการและทรงบัญญัติศิกขาบทห้าไม่ให้ภิกษุทั้งหลายกระทาอย่างที่ทํานี้และจัดห้าไม่ให้ภิกษุทั้งหลายที่ตามสเสด็จมารับอาหารทั้งหมดนั้นพระสุบัตทะเสียใจเพราะต้องมาเสียผลประโยชน์เรื่องอาหารที่ท่านเก่งเอาไว้ว่าจะมีขบฉันไปอีกนานแสนนานก็เสียหายสมหมดอาหารที่อุตสาหขอมาอุสาทําไว้จึงโกรธ ปูกอาฆาตต่อภาษาสดาเรื่อยมานะเรื่องนิดๆหน่อยๆ น, นะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเรามีความผิดคนเราเนี่ยจะไม่ไม่โทษกิเลสตัวเองจะโทษคนอื่นว่าทําให้เราเดือดร้อนถ้าเราโทษกิเลสตัวเราเองก็แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเดือดร้อนนะนะไข้กิเลสมันเดือดร้อนจะมั่งนะก็มันเป็นตัวเหตุจริงๆละ่ะถ้าเราไม่ เห็นแก่ตัวเนี่ยเราไม่โลภเราไม่ทำอะไรผิดเนี่ยไปเที่ยวขอด้วยการเอ่ยปากอย่างนี้เรื่องนี้มันก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่มีแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมันพวกเดียวกับกิเลสคือพูด ง, ง่ายๆว่ากิเลสเนี่ยมันมันเป็นแม่เรานะเป็นพ่อเราเป็นญาติเราเป็นอะไรอะไรของเราหมดนะอะความรักตนเนี่ยเห็นว่าตนเนี่ยดีก็จึงไม่คิดโทษตน เราโทษตนซะบ่อยๆโทษกรรมชั่วที่เกิดจากกิเลสซะบ่อยๆโอกาสที่เราจะพ้นกิเลสนะ่ยมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่กิเลสมันไม่ได้สร้างขึ้นมันสร้างขึ้นมาทั้งนั้นและไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าเสียผลประโยชน์ทุกอย่างนะ่ะไอ้กิเลสนะั่นแหละมันเป็นคนบอกว่ามันเสียตัวสักกายทิฏฐิความเห็นแก่ตัวหรือตัวต น, นีเนี่ย ตัวโลภตัวโมหะเนียมันว่ามันเสียนะผลประโยชน์ส่วนถ้ามีปัญญาซะแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะต้องเสียเพราะมันไม่ได้อะไรสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดมาตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของมันได้อกิเลสก็ไม่ได้เป็นเจ้าของถ้ากิเลสเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆก็จะไปให้มันเสียหายไปทําไมก็ควรจะได้สิ่งเหล่านั้นไปเอากิเลสเนี่ยสร้างชีวิตขึ้นมา ตัณหาสร้างชีวิตขึ้นมาก็ายักรักษาไว้ไม่ได้เขาต้องแก่ตายไปปัญญาเนี่ยเขาจะรู้ความจริงว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ดับมีแต่เสียไปเพราะนั้นมันไม่มีการเสียประโยชน์อะไรหรอกตัวกิเลสมันไม่ยอมนะมันก็เอาว่าตัวมันเนี่ยเสียเพราะฉะนั้นมันก็โกรธโกรธที่เป็นอย่างนี้จนได้โอกาสก็กล่าววาจาลบหลู่ว่าพุทธเจ้าขึ้นเลยว่า พระผู้เทเจ้าปรินิพพานเสร็จแล้วเราก็พ้นดีแล้วจากพระผู้มีพระภาคคือยังจําได้ว่าถูกพระพุ้เทเจ้าติเตียนห้ามสิ่งที่ตนเองทําบัดนี้จะทําอะไรก็ทําได้ในอัธกถามหาปรินิพพานสูตรกล่าวว่าเมื่อพระมหากัสปะเถระได้ฟังคําหยาบคายของหลวงตาสุพัตถะแล้วก็คิดว่าแม้ว่าพระปรมศาสดาทรงปรินิพพานได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้น ยังมีเสี้ยนหนามหลักต่อเกิดขึ้นได้ถึงป่านนี้เสี้ยนหนามทิมแทงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมวินยัยคุณพระอริยะสงแล้วนะมีคนไม่เคารพแล้วเพียงเจ็ดวันเท่านั้นถ้าพวกบาปหนาชั่วช้าเช่นนี้ได้พักพวกที่ใจบาปหยาบช้ามากขึ้นก็จะกระทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงแน่นี่ขนาดมีเพียงองค์เดียว ยังเป็นอย่างนี้ถ้ามีหลายองค์เป็นร้อยเป็นพันจะทำกันขนาดไหนเพราะนั้นพระมหากษสปะเทระจึงคิดต่อไปว่าถ้าเราจากว่ากล่าวหลวงตาสุพัทธะในเวลานี้ก็จะมีผู้ติเตียนได้อีกว่าแม้แต่พระสรีรสพของพระบรมศาสดายังอยู่พวกสาวกก็เกิดวิวาททะเลาะกันแล้วเพราะนั้นเมื่อคิดถึงเหตุผลว่าจะเสียหายใหญ่โตจึงได้หยุดไว้นิ่งไว้แล้วได้นามา เ, เปิดเผยออก ก่อนที่จะกระทาปฐมสังขายนานาผลงานของพระมหากัปสะเถระที่นับว่าสาคัญและเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาที่สุดนั้น ก, ก็คือการกระทาปฐมสังขายานาปฐมแปลว่าครั้งแรกสังขายนาหรือสังคีติคือการรวบรวมพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเอาไว้จัดหมวดหมู่ให้เหมาะแก่การ ท่องจำและการศึกษาปฏิบัติเป็นครั้งแรกคือจะต้องการยกย่องพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยนั่นเองแล้วใครเล่าจะยกย่องก็นอกจากพระอริยสงฆ์เท่านั้นหรือพุทธบริษัทเท่านั้นที่จะยกย่องเรานับถือพระพุทธเจ้าและไม่ยกย่องพระพุทธเจ้าจะเรียกว่านับถืออย่างไรแล้วเรานับถือพระพุทธเจ้าและไม่นับถือพระพุทธพจน์ของท่าน ไม่นับถือพระธรรมวินัยที่ท่านได้แสดง8ปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์จะเรียกว่านับถือพุทธเจ้าไม่ได้สันดก็ดีเรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมวินยัยเราจะไม่นับถือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยผู้รักษาพระธรรมวินยัยก็ไม่ได้ก็จะต้องนับถือเช่นกันและมูลเหตุที่กระตุ้นเตือนใจให้พระมหากรสปะเถระดำริที่จะกระทำสังขยนานั้น มีปรากฏอยู่ในอัธกถาคำพีปฐมสมันตะภาษาธิกาพอจะสรุปได้ว่าข้อที่หนึ่งท่านระลึกถึงคำพูดของหลวงตาสุพัทธะผู้กล่าวจ้วงจาบล่วงเกินพระบรมภาาสาสแสดงตนเป็นเสียนหนามต่อพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะสมัยนี้ก็คงมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสแสดงธรรมแล้วไม่อ้างว่าพระพุทธเจ้าสแสดงไว้ที่ไหนที่ไหน เนี่ยขโมยนะขโมยพุทธขโมยคําสอนพุทธเจ้าหรือเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือไม่ก็ประกาศว่าตนเองเนี่ยรู้คําสอนพุทธเจ้าด้วยตัวเองโดยไม่ได้ต้องไปเรียนไปศึกษาอะไรก็แสดงคําสอนของตัวเองออกไปแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคําสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเสี้ยนนามต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้า พูดคล้ายๆว่าเรามีปัญญาเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละสองท่านระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่ทรงตั้งพระธรรมวินัยพระพุทธพจน์คือคําของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งพระธรรมวินัยไว้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์เองคือบอกกับพระอานนท์พระอานนท์พระอานนท์กล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิพานแล้วเขาองค์จะตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็น ศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราพระพุทธเจ้าในยกย่องพระธรรมวินัยอย่างยิ่งเพราะนั้นจึงควรรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้พระพุทธศาสนามั่นคงอยู่ตลอดการละนานจนมาถึงเราทุกวันนี้นะ่ะทาไมมีการรวบรวมไว้ก็จะต้องกระจัดกระจายและสูญหายไปเสียที่เสียหมดในที่สุดสท่านระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้ประทานผ้าบังสุกุล ตีวอคือผ้าสังาติแก่ท่านแลกเปลี่ยนอันหนึ่งพระศ า, าสดาไม่เคยประทานผ้าสังขติของพระองค์แก่ใครเลยได้ประทานเฉพาะแก่พระมหากัะสปะเทระเพียงรูปเดียวเท่านั้นคล้ายกับพระมหากษัตริย์ทรงเปรื่องเครื่องทรงพระจะทานแก่พระโอรสองค์ที่จะสืบสันตะติวงศ์ต่อไปฉะนั้นเนี่ยท่านระลึกถึงอย่างนี้นะว่าพระพุเทธเจ้า เมตตาท่านเป็นพิเศษนะข้อที่4ท่านระลึกถึงพระศ า, าสดาในทางอุตริมรุษยธรรมต่างๆคืออนุ ป, ปุภพวิหาร9อาอภิญญาหคือเข้าฌานนะเข้าฌานสี่นะรูปฌปานสี่แล้วเข้าอารูปฌานอีกสี่เป็น8ปแล้วเข้านิโรธสมาบัติแล้วทำอภินญะาสามารถที่จะทำได้ตามประสงค์ ข้อที่ห้าทนึกถึงพระวาจาของพระาศาสดาที่ทรงสรรเสริญท่านว่าปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของกัสปะบริสุทธิ์เหมือนดวงจันทร์กัสปะนี้จักได้กระทําให้วงพระสัจธรรมของตถาคตดํารงอยู่สรุปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือกรตัญยูกะตะเวทีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญตัวท่านไว้เพราะนั้นจะต้องตอบแทนคุณไม่ปล่อยให้เสี้ยนหนาม เช่นพระสุพัทธะมาทบลายพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ได้เหตุทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให้พระมหากัสปะเทระเกิดความอุตสาหะกล้าหาญวิริยะภาคเพียนที่จะชักชวนพระภิกษุทั้งหลายกระทำสังขยนณารวบรวมพระธรรมวินัยขึ้นหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสตรีละได้สองวันก็เป็นวันประชุมแบ่งพระบรมอัติธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้า วันนั้นมีพระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันประมาณเจ็0 0 0นรูปพระมหากัรสปะเทระได้ยกเอาเรื่องของหลวงตาสุพัทธะผู้กล่าวห้ามปรามพระภิกษุทั้งหลายไม่ให้ร้องไห้ขำกลวนถึงพระบรมศาสดาเมื่อครั้งเดินทางจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุศินารานำมาเล่าให้พระภิกษุสาวกทั้งหลายฟังโดยละเอียดดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านได้เล่าเรื่องอันสอเขาว่าจะเป็นนิมิตร้ายต่อพระศาสนาจบแล้วจึงกล่าวว่าพวกเรามาร่วมกันสังฆยารวบรวมพระธรรมวินัยเถิดอย่าทำอย่าทันให้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมวินัยรุ่งเรืองคืออย่าให้อธรรมอวินัยรุ่งเรืองและสิ่งที่เป็นธรรมวินั ย, ยต้องล่วงโรยหรืออับเฉาเลยอย่าทันให้พวกที่ไม่ชอบธรรมไม่ชอบวินัยมีกาลัง และอย่าทันให้พวกที่ชอบรมชอบพินัยถอยกําลังเลยอันนี้ก็เป็นธรรมที่น่าพิจรารณาอย่างยิ่งเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเจริญหรือคนเสื่อมเนี่ยรู้ง่ายคนชอบธรรมเป็นคนเจริญคนชอบทำเนี่ยคือชอบกุศลธรรมนะชอบทานศีลภาวนาอย่างเนี้ยเป็นคนเจริญคนเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนเกลียดธรรม คนเกลียดทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคนเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีพวกเกลียดชังธรรมวินัยพุทธเจ้ามากๆแล้วพวกที่ชอบเคารพในธรรมวินัยน้อยก็จะต้องพ่ายแพ้นแน่นอนพระภิกษุสาวกทั้งหลายมาประชุมกันประมาณเจแสนรูปนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นขอพระเถระจงเรียกพระภิกษุทั้งหลายที่จะเข้าร่วม ระทำสังฆนาเถิดอ่านเลยในการเลือกพระภิกษุพระเถระก็เลือกพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระอาหารหันต์ที่ทรงพระไตรปิฎกคือจําพระไตรปิฎกได้หมดของเราเนี่ยหมดแล้วเมืองไทยนี่ไม่มีใครจําพระไตรปิฎกได้เหลือแต่พมา่พมาพม่าก็เหลืออยู่เหมือนจะสามองค์เหลืออนะีกสามองค์มรณะภาพไปสององค์ ông, แล้วก็ยังไม่มีเกิดขึ้นมาใหม่ และนอกจากทรงพระจะรยบิดกแล้วก็ทรงปฏิสัมพิธาคือมีปัญญาแตกฉานในพระพุทธพจน์มีอนุภาพปฏิสัมพิธาสีโดยมากก็เลือกว่าเลิศในองค์คุณมีวิชชาสนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยกย่องพระพิอรหรันมีชื่อปรากฏก็8ปรูปเช่นยกย่องพระอานอน์ไว้ว่าเป็นผู้เลิศในทางอุ ป, ปถากแล้วก็มีคุณสมบัติอีก5ประการหรือยกย่อง พระมหากัจจยนะไว้ว่าเป็นผู้เลิศในทางสามารถขยายละเอียดได้อย่างนี้ก็ต้องเลือกได้499รูปเป็นพระอรหันต์หมดเว้นไม่หนึ่งรูปยังไม่ได้เลือกคือรอพระอานนท์เถระซึ่งยังไม่